11ธรรมะมีเหตุมีผลอย่าไปข่มใจใจของทุกคนเหมือนเด็กเป็นเด็กซนเด็กดื้อด้วยอย่างเราจะเรียกเด็กเข้าบ้านเด็กไปวิ่งเล่นหน้าบ้านเราจะเรียกให้ลูกเราเข้าบ้านไปบังคับเอาเชือกไปลากคอมันนะเด็กก็อึดอัดใช่ไหมเด็กก็เครียดสิถ้าอยากให้เด็กกลับมาอยู่กับความสงบอยู่ในบ้านไม่หนีไปเที่ยวเอาขนมไปล่อไอ้คนนี้ชอบกินไอติมเอาไอติมไปล่อมัน นี่แหละที่เราทำกรรมฐานคือเอาอารมณ์ที่สบายใจไปล่อมันบางคนรู้พุทโธแล้วสบายใจพุทโธก็เหมือนไอติมที่เอาไปหลอกเด็กนั่นแหละเด็กก็เข้ามากินไอติมในบ้านไม่วิ่งซนไปคนนี้หัดรู้ลมหายใจแล้วสบายก็ไปรู้ลมหายใจรู้เล่นๆ เ, เหมือนเอาขนมไปล่อจิตมันพอใจที่จะรู้ลมหายใจมันก็กลับเข้ามาไม่หนีไปเที่ยวคนไหนจะดูท้องพองยุบก็ดูไปจิตมันชอบใจที่จะดูท้องพองยุบ ดูสบายๆมันก็กลับมารู้สึกอยู่ที่ท้องได้ไม่หนีไปเที่ยวฉะนั้นหลักของการทำสมถกรรมฐานต้องสบายนะตัวสบายเท่านั้นแหละถึงจะสงบในอภิธรรมถึงกับสอนเลยความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิไม่ใช่ไปบังคับมันดังนั้นถ้าปฏิบัติแล้วเครียดกับกายถึงเราพยายามจะบังคับใจของตัวเองแล้วก็ยังไม่มีความสุขจะไม่สงบเลย ศาสนาพุทธสอนเรื่องเหตุกับผลไว้ทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้อยากให้เกิดปัญญาใจต้องตั้งมั่นใจจะตั้งมั่นได้จิตใจต้องมีความสุขอยู่ในอารมณ์ที่รู้ถึงจะมีสมาธิขึ้นมาจิตจะรู้ในอารมณ์ได้รู้รูปนามได้จิตต้องจำอารมณ์รูปนามได้แต่ละตัวจะมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยการที่จิตจำสภาวธรรมได้แม่นยำทำให้เกิดสติทันทีที่มีสติจิตจะเป็นกุศล ทันทีที่จิตมีกุศลจิตจะมีความสุขทันทีที่จิตมีความสุขจิตจะตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นสติระลึกรู้รูปก็เห็นความจริงของรูปว่าไม่ใช่เราปัญญาแก่รอบจริงๆวิมุตก็เกิดขึ้นปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจธรรมะมีเหตุมีผลนะ